ฟังจำเป็นแรกหน่อยเนาะอยากออกจากสอนจยากมีส่วนร่วมอยากแรลบผิดชอบชีวิตของเรามันมีสูตรที่ถูกที่ผิด สิ่งที่เหมือนผิดมันมีอันถูกสิ่งใดมีปัญหาสิ่งนั้นมีวิธีแก้ไขเหมือนประเทศชาติมีรัฐธรรมนูญที่ผิดที่ถูกที่ขาดยอมรับมีความเป็นธรรมก็ อ, อยู่กันได้ ชีวิตเรานี่น้าก็มีปัญหาสิ <c> ่ง <oughs> ที่ทมีปัญหาไม่ใช่ระดับประเทศแค่ไม่ใช่ระฐธรรมนูญที่บัญญัติแต่งตั้งขึ้นมันเป็นส่วนปจเจกชนคือต้องต้นจากตัวเรา ตอนที่จะเกิดปัญหาต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันต้องเกิดที่ขนก่อนคนเหล่าคนแค่ไขก้าไปถึงส่ <c oughs> <c oughs> วนรวมถึงรัฐธรรมนูญแล้วมันมันก็ไม่ใช่ที่เป็นสันจธรรมเป็นสมมุติบัญยัต ยอมรับโดยสมมติบัญญัติเป็นส่วนสองโลกไม่ใช่ส่วนของธรรมส่วนของธรรมต้องเป็นปรมารสัจะไม่ใช่โลกพุทธะจารถังเกิดขึ้นจากปัจเจกชนคือตั้งต้นจากตัวเองเนี่ย ทุกคนต้องรับผิดชอบถ้า <c oughs> ทุกคนมีความรับผิดชอบไม่มีปัญหาในชีวิตแล้วก็สงบไปเองไม่เกี่ยวกับธรรมนูนไม่เกี่ยวกับสมมุติบัญญิเป็นจริงเกี่ยวเช่นนั่นตลอดกาลดานคือธรรมะใครจะรู้ใครจะไม่รู้เป็นธรรมอยู่เช่นนั่น อันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสจากชีวิตของเราทั้งต่ยังมีชีวิตอยู่แน่วิธีที่จะเป็นใหญ่ในชีวิตเราคือสติจัมจัญญะเป็นใหญ่ขี้ขาดตกผิดได้ แต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นใหญ่อยู่กันไประหวังกายระหว่างใจเดี๋ยวนี้ระหว่างกายระหวังใจเรามันก็มีปัญหาไม่วัตถุมีอาการที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนี่ก็มี เรามไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนนี่ใจก็มีความโกรธความโลภความหลงมิคลีแต่นานลาคะจะให้เกิดชีวิตนั่นหรือไม่แก่ไขไม่มีอะไรเป็นใหญ่ไปขี้ขาดเรืองนี้นั้นก็ไม่มีค่าสาหรับชีวิตเรา ทำไมร้องขอโทษต่อสิ่งเหตุวุฒอื่นมากมายไอ้เวลานี้โลกร้อนเพิ่มขึ้นปัญหาเกิดขึ้นต่อโลกเป็นส่วนรวมเพราะคนคนเดียวเป็นคนที่ก่อเหตุขึ้นมาเรามอยแก้ที่คนเนี่ยคือปฏิบัติธรรมเนี่ย เวลาใดมันหลงก็ต้องมีความไม่หลงเข้าไปแก้เวลาใดมันโกรธต้องมีความไม่โกรธเป็นการแกร้เวลาใดมันทุกข์ต้มีความไม่ทุกข์เป็นการแกร้เวลาใดเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องมีปัญญาเข้าไปแก้ไขเพราะได้หัดตจศึกษาไว้ไม่จนไม่ไปถึงอะไรเป็นายนอก เาจึงมีสิ่งที่ขี้ขาดที่ผิดที่ถูกไม่ใช่แจ้ตลอดเวลาไห น, นแก้ได้ทีเดียวก็หมดไปตั้งชาติเช่นใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเป็นสมมติถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นช้างสำหรับเป็นสัตว์ที่ใหญ่ แล้วก็มีส่วนประกอบกันถ้าไฟมันไหม้ก็ต้องมีน้าดับอะไรที่มันเป็นศัตรูมีเครื่องปรับทั้งนั้นแม่รูร้ไฟไข้เจ็บมันเกิดขึ้นต้องมีวัดคิน้นผู้ที่ค้นหาวัคซินก็ไม่ยอมจนการแพทย์ชาตร์ค้นอยู่ตลอดเวลา ศึกสาตลอดเวลาโลกขนาดไหนก็จะพยายามรักษามีวัคซีนหามาให้ได้แก้่อเห็นได้เนื้อเราก็อยู่ได้รอดมาได้วิธีเกิดวิธีเก็บวิธีตายก็ต้องมีจนถึงที่สุดอันนั้นมมนเป็นจิงยอมรับไม่ควรที่ไปยอมรับขนาะนั้นก็ได้เราต้องหัด ถ้ามีมาแมลงก็มีนกเหชีจับมแมลงกินได้อันปัญหาที่เกิดจากชีวิตเหล่านี้มันมีสูตรอยู่สูตรจนไม่มีปัญหามีทางป้องกันรักษาแย่ไขป้องกันให้มันปลอดภัยอันแย่ไขนี่มัน อาจจะไม่ได้ผลเสมอไปป้องกันดีกว่าแก้ไขจึงมาฝึกกรรมฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีแน่นอนอันความแก่ความเก็บความตายนี่เราเคยเสียใจเพราะความเก็บเป็นทุกข์ความเก็บแม่ไหนตัวเองก็เหมนกันคนอื่นก็เหวือนกัน นี่เสียใจพระความเป็นทุกข์ความตายก็มีเหมือนกันเราเคยน้ำตาร่วงพวกอันตายของญองดิพี่น้องของคนอื่นมามากมาเคยชดรถไฟเสียใจก<ป>ระทบถึงใจเราด้วยแม้<ป>แต่คนอื่นทําให้เราเสียใจก็ยังมีทาให้เราเป็นทุกข์ก็ยังมี จึงไม่ควรประมาทเป็นความทุกข์มีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าอยู่จะต้องยอมอย่างนี้ห่ะมันไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐอะไรเราจึงมาฝึกกรรมาฐานกันเนี่ยยอมสงบเราฝึกยอมสึกเราก็ต้องลบ มันต้องมีแน่นอนสึกมีภัยแน่นอนจะเมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยแม่แต่หายใจเข้าหายใจออกแค่นี้หายใจไม่เข้าก็ตายแล้วหายใจเข้าหรือออกก็ตายแล้วจะทำอย่างไรมันชีวิตเหมือนน้าข้างบนไป้าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้ นห้ควรประมาท <c oughs> เห็นน้ำข้างบนใบหญ้ามันเป็นเปียกๆนิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวก็ละเหยได้นิดหน่อย <c oughs> หายเจเข้าไม่ได้ก็ตายหายีจออกมาได้ก็ตายหมดมดทางเ <c oughs> นื้อเราจะทำไงเมื่อถึงข่าวเช่นนั้นเกิดขึ้น มเก็บก็ต้องเก็บแน่นอนแต่ต้องให้เป็นเป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นหรอไม่ทุกข์ได้ไหมเม่หลักเกิดแถาการเช่นนั้นขึ้นมานี่สำกัญตรงนี้จึงไม่ควรประมาทแสวงหาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แสวงัหาอะไรแล้ว มาทาเลยทีเดียวเหมือนเรามีมาแยงใหญ่ถึงราดูก็ทํลงไปเลยนาเราสามารถปลูปอกอะไรได้ที่ของเราปลูปกกินได้เรามีศรัทธาเรามีกายมีใจมีสติเรามีศีลมีสมาธิ ไม่ปัญญาตะกกบมันขึ้นมาใอ้มันมากจริงใดที่มันมากไม่หม ด, มหมดยิงใช่ยิงมากโหลังท่านว่าลักยาวให้บ่นลักชั้นให้ต่อตอมันยิ่งสั้นถ้าตัดมันยิ่งยาว อะไรมันยาอะไรมนส้นถ้ารู้ความหลงก็ส well, we ั้นลงถ้าหลงควาถ้าไม่รู้ความหลงก็ยาออกไปมันมีอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง เขาอยู่ในฐานะแบบไหนในเตรียมเรื่องนี้ไหมหลงมากหรือว่ารู้มากเป็นมีอะไรเป็นประธานในชีวิตเราเนี่ยจอปล่อยให้เถื่อนอยู่เช่นนี้หชีวิตป่ะเถื่อนเลยร้องหลงมาก็เอาความหลงร้องโกรธมากเอาความโกรธร้องทุกข์มาเอาความทุกข์ เลตรหนาัมากแลวบคิดเลตนัไปเถือนมากแค่เนี้มันไม่ใช่ชีวิตเป็นอะไรไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตเลยชีวิตจริงๆมันไม่ต้องเป็นอะไรเราได้ชีวิตคือไม่เป็นอะไระชีวิตเป็นสศเป็นทุกข์เป็นโกร่งโกรธโลภหลงเกลียดตายไม่ใช่ชีวิตเลย เป็นสิ่งที่รับใช่รับใช่ผาระเป็นผาระหนักหนักนกล้าชีวิตเหล่านะั้แบกกันอยนะู่าระหาเวเปันจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเสียงก็เป็นโลกรถก็เป็นโลกกลิ่นก็เป็นโลก ความคิดก็เป็นรูปเมื่อมีโรคเกิดขึ้นก็มีเวทนามีอาการเกิดขึ้นมีสัญญาเข้าไปบันทึกไปมีสังขารปุงเริ่นั่นอยู่ไปว่ยมีวิญญาณว่าติดไปเลยมันติดไปเลยติดอะไรมากาหลวงพลังยึดอะไรมา ติดทุกข์ก็มีติดโกรธก็มีติดหลงก็มีติดรักก็มีติดอร่อยสลรพัอย่างมันติดป่ะหรือว่าวิญญาณอร่อยวินดินพวกขางหมูท้องชาติหนักอึ้งไปเลยไม่แหบ่อ่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เป็นทุกข์สมุทยนะเป็นทุกข์ในเลือดัติทีนะมันคิดที่ไม่ตั้งใจนะมันเกิดจากตัวนี้ก่อนไม่มีจึงใดที่เป็นความคิดแบบนี้ด้วยเท่ากั บ, กบสติถ้ามีไม่มีสติเป็นหลักเป็นประานเราจะไม่เจอความคิดแบบนี้ถ้าไปกับความคิดไปเลย พมีสติเป็นประธานเป็นที่ตั้งเหมือ น, นเรามีตาลื้นไว้อะไรผ่านมาก็ต้องเห็นถ้า <c oughs> เห็นแล้วก็ปลอดภยัยสติเมื่อเราไมเมือ่อมาเราเมือเม่อเรามีแล้วมันก็ต้องเห็น <c oughs> เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยาบป่างละเอียดขนาดได ส่วนเรส่วนมากค่อยรู้นะเผื่อความสุขเพรความคิดก็มีเป็นความทุกข์ควมคิดก็มีเป็นความรักของมชังเพราะความคิดเป็นความพอใจความไม่พอใจเพราะความคิดก็มีในความคิดที่ไม่ตั้งใจมันเป็นที่เกิดเป็นตัวสมุทรเป็นตัวสังขารเป็นตัววิญญาณ เป็นตัวลูกเหมือนพบเป็นชาติอยู่ในความคิดนี่เท่าไรนะไม่ท้วนคิดที่ไม่ตั้งใจตัวสติจะเป็นตัวที่ไปควบคุมกำเนิดทิ้งเราเนี่เรียกว่าสะมูทยัยสังขารสติจะเป็นวิสังขาร ยิ่งขงขันเปลี่ยนแล้วก็มีใหญ่แบบนแบีบ้เหมือนนกอินทีจับมาแรลงมันก็เลยเป็นใหญ่ถ้าไม่หัดได้ถ้าไม่หัดไว้ก็ไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่เถือนไปหมดเลยซ้อมสอนโปลนไปกันไปเขาเรียกว่าคนโผลนโผล น, ป น, ป น, ปนไปเรียกว่าคนคนคือมันโปลน อะไรต่างๆปนกันลงไปม่เป็นการเกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาในภาวะเช่นนี้แม้ในความชีิดก็มีการเกิดการแก่การเจ็บกา ร, กา ร, กา ร, การตายเราจงมามีสติเห็นหัดว่าก็มีสติ ก็ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานมากได้พักผอ่อนไม่ได้ปรุงอะไรเป็นควันคลื้นเป็นขวนกลงวันเป็นเปลวต้องมีสติมัอนสงบควันไม่มีเปลวดังคืนว่าฝันกลางวัน ว, นวาคิดเป็นเปลวของผมคิดนั่นแหละที่เป็นเป็นต่อยอดไปในความ พุชติคือมันหลงคือคิดอันเห็นความคิดที่มันหลงในความคิดนี่ไม่ค่อยมีใครรู้หลงสิ่งหลงของหลงหน้าหลงตา ก, กันมันเป็นธรรมดาหลงชื่อเสียงหลงอะไรต่างๆธรรมดาหลงในความคิดนี่ไม่ค่อยจะรู้จักกัน อยู่ในความคิดนานเท่าไหรเท่าไรบางทีคิดขึ้มานอนไม่หลับคิดขึ้มากินข้าวไม่ลงคิดขึ้มาร้องน้ําตาไหลคีดขึ้นเราก็ลับคิดขึ้นก็เกียดชังหมดพลังงานกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนรวมของเราทั้งหมดเลย สติเท่านั้นที่จะรู้จักตองนี้เห็นมายาสาไถ่ความคิดที่ไม่ตั้งใจตื่นเลยมันรุนแรงมากนะความคิดที่ไม่ตั้งใจนะถ้าเรามีสตินระไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่มีใครรู้นะสัมผัสได้เจ็บปวดมากกว่าถูก อะไรต่างๆอ น, นั้นเหมือนผิวเผินมันไม่กบเกอนอันของเกิดก็สมบัติที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกถ้าเรามาดูแล้วเข็ดหลาบด้วยอันที่ไม่ตั้งใจนะแต่บางคนก็ด้านไปเลยไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้เรียกว่าผู้ไม่มีสติปุถุ ด้านในความคิดที่ไม่ตั้งใจนะปุถุชนหรือเนยเยาะปะทะปร ะ, ปะมบัวใจนยัยบัวใต้ดินเท่าไหร่จ้งจะรุกก็ไม่ชอบต้างให้ขนขวอย <c oughs> อันหลงในเรื่องอื่นก็พอไหวอันหลงในความคิดเนี่ย ไม่ค่อยจะใส่ใจเพามาันหลงในความที่เขาไปกันใหญ่ไปกันได้หรอเฮ้ยพิจัยทางเป็นเปรตก็มีเป็จัตุรลกายก็มีเป็นจตนาโลกก็มีเป็นเดรัจฉานก็มีเรื่องที่เล่าไปเล่าก็ยังเอามาคิดคิดในเรื่องเก็บปวดคิดในเรื่องที่ผิดผิดเอามาคิดทีใดก็ทุกทุกตื่นเอยียงเอามาคิดอยู่ไม่เข็ดหลับ แต่ถ้ามีสติเห็นแล้วเนี่ยโอเหมือนเรามานจะเอีเรื่องนี้กันจุดท่าเลยถ้าไดจะเอี๊ยแล้วหมดท่าความคิดที่ไม่ตั้งใจนะอันตั้งใจคิดนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญญาไม่เป็นวิชา อันคิดที่แม่ตั้งใจน่ะอะวิชาไม่ใช่จบปริญญามาอตวิชาแท้ๆความคิดที่แม่ตั้งใจน่ะอันตั้งใจคิดนี่แหละคือวิชาวิชาพระพุทธเจ้าคือวิชาแบบนี้ที่เป็นพระพุทธเจ้าอะไรเพราะมีวิชาแบบนี้และไม่ใช่เรียนอันเรียนเรียนมาม า, มากระดัเกศศาสตร์ นอกจากศาสตร์ทั่วๆไปขีมา้ายิงแคโน่ฝันดาบจนีเก่งมากสืทอชัดแต่ไม่จิงในเดือนนี้จึงมาฝึกเอาเท่านั้นเองอาอใสก่ ย, กายอาอัสใจนี่ฝึกอาสิ่งแวดล้อมพอที่จะทำาแล้วนี้ได้ก็เลยฝึกตอนนี้จึงได้ชื่อว่า วิชาเจรณะสามปันโนมีวิชาและเจรณะบอมทกากัเทอพอบเพียนนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ชิ้นเชิงเป็นไปเพื่อความดอดทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจจุบั น, นเราอยู่ที่ไหนรอรอจะหากันที่ไหนอ้อนวอนหรือแล้วเวลาปฏิบัติมองแบบไหนลิทธิปฏิหาร จิต อ, อย่างนั้นจิตอย่างนี้จิตเขาพผวงจิตเป็นอะไรต่างๆเห็นนอนเห็นนี่ลึกชาตดบุพเพนิวะสารทุจริตแ ล, ลึกชาติชาติไหไที่เราชาตดหน่อยเราแก้ได้เท่ากับเดี๋ยวนี้วันนี้นั้นหลงเมื่อวันนี้ทุกวัหหนนี้มันไม่เหมือนเมื่อวันนี้ มันต่างกันอย่างนี้จึงจะเรียกว่าวิปัญญาภูเพนิวะสอนสิทธิอันละลึกชาติแบบนั้นแล้วก็เอาไ ด, ได้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสงบขีดเล็มันก็ต่างกันแล้วเนี่ยจะให้หลงเหมือนเมื่อก่อนมันหลงไม่ได้เวลาใดความหลงเกิดขึ้นอุ้ยเหมือน มันเปือเพื่อนชาติแต่ก่อนมันไม่รู้จักความเปื่อเพื่อนเดี๋ยวนี้มันชาติเดี๋ยวนี้มันชาติสะอาดมันไม่เอาปัดทิ้งไปสักอกไม่สติน้ำทรมงคุรทม ส, ส, สักอสอดซอมขึ้นมางามกว่าก่อโมลิสุดตรงที่บันสะอาดตรงไหนโถปกตรงตร ง, ตรงนั้นสาด ชีวิตอย่างนี้นั้นไม่ใช่เรื่องอื่นมันเป็นเรื่องผมมัดจันต์คือไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับวอะไรเนี่ยมีสติไม่เป็นอย่ยนแน่ยแล้วจะไปหาที่ไหนมันพร้อมแล้วชีวิตเราแล้วมีทุนอยู่แล้วร้อยเปร์เซ็นตศรัทธาก็มีแล้วยอมเพียนก็มีอ๋อ เห็นเดินจงกองแข่งฝนคือคือติดไฟเดินจงกองตองสองสามทุ่มหน้าศรัทธาก็ามีความเพียรมีสติแล้วก็หวังเรามีหวังคนทำนาปลูกข้าวก็ต้องเดือข้าว ผลผกทำไร่ผูกบันก็ต้องได้มานผูก อ, อก็ต้องได้อ้อยเนื้อผูกสติมันต้องมีสติมันไม่หนีไปไหนมันไม่หนีไปไหนแล้วมีฉินมีความสารวมก็มีความสํารวมเป็นตาไวในชีวิตสองเป็นการหัดเป็นตา เป็นทางเป็นขีดเช็ดทางไว้เคยทำอย่างนี้เวลาหลงมันลูกเคยมาแล้วหลายครั้งแล้วร้อยโลบพันรอบหลงที่ใดลู่ทีนั้ น, นเคยใช้ชีวิตแบบนี้มันทุกทีใดลู่ที น, น้นมันโกดทีใดลูท่ทีนานมันต้องมีแน่นอนงานการงานไม่มีแน่นอนไม่ว่างการฝึกกรรมาฐานมันเป็นการทำงาน ทีเ่เป็นกรอบเป็นกำไม่ใช่ลมลมแรงแร ง, งนะม่เป็นงานเป็นการลิกมือขึ้นก็รู้ยกมือขึ้นก็รู้ความรู้มันก็มันไม่ใช่รู้เฉยๆมันละมันละอะไรแล้วมีความรู้ความหลงก็สั้นลงแล้วน้อยลงแล้ว ทำอย่างเดียวหนีไปเป็นพวงร่ยมาเป็นพวงด้เหมือนปูกข้าวแล้วก็วัาางที่เกิดโลกน้ำท่วมเนี่ยนี่วันนี้มันจะท่วมที่ไหนก็ไม่รู้เนาะตกหนักเมื่อวานในฝนนะดูสกขโตดู ดูทางน้ำดูทางน้ำไม่มีทางท่วมในะชาตินี้สุกโตเนาะท่วมนะ <c oughs> ไม่เหมือนชาติสีห้าปีก่อนนะสี 4, ปีก่อนนะครับเป็นอย่างนี้แหละลงอาหารเนี่ยลราทานเน่ะต้องค่วยกันเราอุปยกก็สอบเข้าทิ้งไปเท่าไหร่ล่ะท่วมท่วมท่วมก็เป็นอย่าง ปีนี้เมื่อวานนี้ไปหลงตาไปเดินดูเวลาฝนตกหนักๆนกเอสังเกตดูเราจะรู้จากทิศทางน้ามันเป็นยังไงฝนตกขนาดนี้มันต้องมีอะไรที่ได้ศึกษาแล้วเดินล่อๆไปไปดูทางน้าออกไปดูทางน้า ม, มาเรามีระบบเปลี่ยนทิศทางน้า แต่ก่อนสี่ห้าปีก่อนเวลาฝนตกเราก็ใช้น้ำคุณคุณสูกน้ำคุณคุณมาใช้อ่าพี่ไร้ขี้หัวเต็มไปหมดเลยนี่คิดเดี <laughs> ย๋ยวนี้ก็ไม่ใช้น้ำคุณเท่าไหร่แล้วเพราะอะไรเพราะเราทำมนบรรทุเราทำได้พัฒนาได้ แล้วมาเกี่ยวกับอะไรละ่ะกจึงทไํไหนมันหลายอยา่างอันวัตถุที่เป็นปัญหาในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ยากกา น, นั้นไอ้เกี่ยวกับบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สหลงก็หลงเองก็รอืน่นททำให้เราหลงก็ช่างหัวมันแต่เรามาหลงเองแล้วก็มองตนเอาชนะตนเองอเนี้ยชาติเดี๋ยวนี้ ม, มันเหมือนชาติสองสามปีสุกโต มันเป็นชาติใหม่เป็นชาติที่สะดวกพอสมควรถ้า น, น้ำในชะมันคนฉันต้มก็เจาะบ่ อ, บบอด่านไปลึกรอยเมตรเตรียมพรม้อมสำมติอยู่ใต้ดินแล้วถังน้ำที่กองน้ำก็ทำไว้เรียบร้อย้อมใช่แล้ว ได้มีปัญหาเรื่องน้ำเกิด อ, อะไรขึ้นมาใต้ดินร่อยเมตดโศกขึ้นมาต่อยไปให้ใช้ได้พร้อมอยู่แล้วปีนี้มันเป็นอยาน่างนี้ปีกายไม่เป็นอยาน่างนี้มันก็ตีไปเรื่อยๆไปสิ่งที่มันดีมันก็พึ่งได้วัดตัวสิงของอาจารย์ทรงสิ่งจะต่อหอใจอีกออก่ไปอีก สองห้องทังเที่ยวนอกทิศหอกไปอีกห้องหนึ่งทิศตอนตกอีกห้องหนึ่งคงพอใช้นะสองเพื่อัลคนปลูกมาดูรถมักโคขุดต้นไม้หล่อพอ่อคนอื่จะไม่เฉียดด้ยนะคนที่ปลูกเฉียดได้นะนก็ดดนะมาดูชีว้วานเป็นยังไงอ่านะ ต้นโยมหอมคิดว่าใจอวดคนอลังกามนับนั่งคอโคออกก็ต้องทั้งใจพระตัดดังเัาเป็นอย่างนี้อันหนังกิบมาไหลอันหนังเกิดขึ้นเทนนี่ก็เป็นอย่างนี้มันก็ดีเอาเร า, าทำให้มันดีให้มันใช้ได้นะ ก็่ม้ต้นใดที่คุดออกอนตาเอาไปผูกไว้ต้นแดงว่างไปผูกไว้อืมผูกมาได้ตั้งแต่ยอมหอมันต้นใหญ่ตัดเอาไปใช้ได้ประโยชน์เหมือนกันก็ใครจะนังเฉ็นไว้ลูกไวต้ตรงนั้นพอดีพอดีให้น้ําไหลลงตรงนั้น อดีมาทึก็ดีขั่วเก่าเรว่าวัฒนดีขึ้นจะดวกเก้นขั่วเก่าเรามาใช้กันหลายคนที่นี่เป็นสาธารณะสูวนรวมสมบทของพวกเราทำอยู่ทำช้ายบ้างไม่ใช่ลิงใช่ข้างลิงมันเวลาฝนตกมันมันหา ก, กิ่งในปก แล้วก็มาส่อดูตรงไหนมันว่ามันก็ขึ้นไปหาเข็งไม่ปกไปฉันส่งไม่เห็นท้องฟ้าวลร่าฝนตกหมองคลิปเป็ น, นั่งข้างบนหนอน <c oughs> อันนั้นเป็นลีงเนอะเราก็ทําชาอ่ามีที่อยู่เราประจัดอ่อนแดไม่ใช่ไก่ไข่นกไก่มันนอนอยู่ฝนตกก็ไม่กลัวแดดตกไม่กลัวหนาวก็ไม่กลัวเราไม่เป็น สัตว์มนุย์มันอ่อนแอยังช่วยกันป้องกันนี่ยังคิดว่าบางคนอ่อนแอหนาวมากว่จะไปเพวกมาให้นอนอยู่ดังคิดช่วยอยู่การวันละวันหนาวมากเรจะไปพวกมาพวกบ้านท่าไผ่หวานมีมากนะใครต้องการบอกเราไม่มีใครใช่พวกที่นั่นะ มีแต่แจกแถวบ้านเวลาไฟไหม้ตรงไหนน้าต้อตรงไหนเอาไปแจกเขามีพวกอยู่ใครหนาวไม่พรมกุมกันก็่อนว่าจพวกให้นอนอยู่ดูแลกันแต่ดูแลเรื่องอื่นพอได้อยู่รู้เรื่องที่อยู่ใจเนี่ยอยนี้จานชงเสียนจานทุม่ม มีความรู้รองนะึงแต่ดูแลเรื่องชีวิตจริงๆมันดูแลไม่ได้ต้องทำเอาเป็นกรรมของใครของมันเนี่ยช่วยไม่ได้จริงๆจึงมีวิชากรรมฐานมาอยู่กันอย่างนี้ตอ น, ตอนเช้าตอนเย็นก็แสดงธรรมอาจารย์ไปสานเป็นประธานที่นี่หลงตาก็เป็นเสริมนิดหน่อย อาจารย์สอนิ่อาจารย์ทองขานวัทชัยเป็นอาจารย์ประจำเมืองพ่อกรมหลองพ่อนี่ยก่อแบบแฝบบ ง, งไปนิดๆหน่อ ย, อยไม่ใช่จริงจังอะไรขอใช้ชีวิตที่เป็นส่วนน้อยๆกับหมู่กับเพื่อนไปตนเองอันนั้นนี่วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ช่วยตัวใครตัวมัน ท่านหลงท่านก็เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเองเ ท, ท่านทุนกข์า ก, าก็เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เองท่านโกรธท่านก็เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเองถ้าท่านไม่เปลี่ยนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดตาเป็นวัฏจะเปลี่ยนว่ายตายเกิดเกิดในความหลงกี่ครัง้งเกิดในความทุกข์กี่ครั้ง ในความโกรกี่ครัง้งเกิดในความรักความเกลียดครัง้งกี่ครัง้งกี่ภพกี่ชาติเป็นวัตตะชงสารข้องใหญ่ไพศาล้าจะเปรียบเหมือนน้ําก็พุดธแล้วโผล่ขึ้นมามุดลงไปโผล่ขึ้นมามุดลงไปโผล่ขึ้นมาขึ้นฝั่งจะมกาก็นแล้วกันเท่านั้นเองการขึ้นฝั่งก็หัดแบบขาดว้อย เวลาไมนหลงไม่หลงไหวไปแล้วเวลาทุกไม่ทุกเวลาโกรธไม่โกรธแยกหว่ายตรงนี้การ่างคนต่างช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้พระวิชาเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการทำเป็นหน้าที่ของเราอย่าง<ฮ>นี้เราอาศัยการพูด เป็นข้อมู ล, มลเป็นช น, นประกอบแต่การกระทําของเรานะงานที่ของเราไปทําเอาความหลงไปยังไงความความรู้รจึกตัวไปยังไงสามถา ด, ดูจึงไม่วิชาวนะิกมือขึ้นรู้จึกหมาย ลุกเหมือขึ้นรถเจิญหมายอะรก็ลู่กันทุกคนไม่มีความลู่อยู่นี้อย่าไปเชื่อไปเห็นลู่เบาๆลูล่ลซื่อๆความลู่มองซื่อๆไม่มีรถไม่ชาติมันจืดๆอาหารจืดอาจจะดีกว่าอาหารที่เป็นรสจัดนะความลูซ่ซื่อเนี่ย เหมือนอยารักษาโกคมะเร็งอวันวะกนักจือที่สุดเลยแต่มันรักษาโรคมะเร็งได้เครื่องรูชื่อๆเนี่ยมันรักษาโรคเกิดแก่เจ็บตายได้ทั้งหมดกิเลสปัญหาตนักร้อเกิดรักษาได้มันรูชื่อๆเห็นไม่เป็นเนี่ยมันชื่อที่สุดเลยมันทุกข์เห็นมันทุกข์ ไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่มีโลภแล้วเนยความทุกข์มันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธโกรธไม่มีรถแล้วเนี่ย ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันรู้ชื่อแบบเนี่ยไม่ใช่รู้แบบทำไม่ทำไมามันได้อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรนานมาใช้ความโลภความรู้มันซื่อชื่อชื่อชืรู้จักชื่อชื่อบอสชื่ออ๋อ สมกวรจะเวลาอกับพระ อ, องกัน